บัตรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำกล่าวสรงเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านเมตตคูได้กล่าวในข้อที่สามนั้นคือมีพระองค์อันให้เจริญดีแล้วหมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญสูงสุด ธรรมะอะไรที่เป็นเครื่องมือให้พระพุทธเจ้าเข้าถึงความประเสริฐสูงสุดท่านกล่าวว่าได้แก่ธรรมที่เราเรียกว่าโพติปะเกียธรรมคือธรรมนาผู้ปฏิบัติให้จัสรู้ต่าพระพุทธเจ้าคือใครก็ตามเมื่อได้ปฏิบัติตามองค์ธรรมเหล่านี้แล้วเมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์ในจุดใดจุดหนึ่ง ก็จะสัมผัสผลเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทั้งหลายได้สัมผัสมาแล้วนั้นก็คือหลักของสติปัฏฐานทั้งสีประการเรื่องของความเพียรทั้งสีประการและอิทธิบาททั้งสีประการทั้งอินรีย์าพระห้าโพชง7มัคมีอง 8. ซึ่งเป็นธรรมะที่ได้กล่าวมาแล้วโดยตำดับ และข้อที่ท่านเน้นให้เห็นถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการเจริญด้วยธรรมเหล่านี้ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในโลกด้วยอารมณ์ที่ท่านใช้คำว่าฉลังคุเบกขาได้แก่ทรงมีอุเบกขาคือความวางเฉยในอารมณ์ทั้งหกประการ ตามปกติแล้วจิใจของบุคคลนั้นจะเปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามลักษณะทางอารมณ์ที่ผ่านมากระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็จะทำหน้าที่รับอารมณ์นั้นวินิจฉัยอารมณ์นั้นแล้วจะกำหนดอารมณ์นั้นจากนั้นก็จะปรุงคิดคิดปรุงในอารมณ์นั้นตามลักษณะของอารมณ์ประการหนึ่ง ตามพื้นฐานจิตของบุคคล น, นั่นอีกประการหนึ่งการกำหนดตามลักษณะของอารมณ์นั้นตามปกติแล้วบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจนามากนักก็ได้คือรับรู้มาอย่างไรก็กำหนดสถานะของสิ่งเหล่านั้นว่าอย่างนั้นเช่นไปพบเห็นรถก็กำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นรถ พบเห็นสิ่งของอื่นๆก็กำหนดในแนวเดียวกันแต่ถ้ามีการกำหนดโดยอาศัยพื้นฐานทาง จ, จิตใจแล้วจะก่อให้เกิดความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในสองลักษณะได้กกนลักษณะแรกก็คือพื้นฐานทางจิตเคยกำหนดอารมณ์เหล่านั้นไว้ไว่าอย่างไร ก็จะมีการปรุงคิดคิดปรุงไปในลักษณะอย่างนั้นซึงถ้าหากว่าเป็นการกำหนดในแนวที่เพิ่มกิเลสกิเลสก็พร้อมที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรุงคิดคิดปรุงอารมณ์ของบุคคล น, นั้นในขณะนั้นนั้นถึงบางครั้งผู้ปฏิบัติจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเมื่ออารมณ์ที่ผ่านมากระทบทางสัมผัส ปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะนั้นใจของเราก็เล่นตามอารมณ์นั้นไปด้วยเช่นยามที่ดูละครหรืออ่านหนังสือนวนิยายที่มีตัวเอกตัวโกงตัวรทิ์ยาหรือคนที่ถูกคนอื่นก็เบียดเบียนเป็นต้นภาพในเรื่องราวเหล่านั้นและมีความเปลี่ยนแปลงในตัวอยู่ทุกขณะที่เรามองดูและที่เราได้อ่าน ภาพเหล่านั้นไม่ได้อยู่เพียงเท่านั้นแต่ก็เข้าไปสู่จิตใจของบุคคลก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจของบุคคลคือไม่ใช่จะอ่อนไหวค่อยตามไปในแนวเดียวกันทุกเรื่องเพราะภายในจิตใจของบุคคลนั้นได้กาหนดอารมณ์ไว้ไม่เหมือนกันคือเก็บอารมณ์ไว้ไม่เหมือนกัน แต่สรุปแล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบทที่ก่อให้เกิดความรักความชังความโกรธความริษยาความมักคาดพยาบาทความหลงความเพลินต่างๆที่เกิดขึ้นในอารมณ์สุดที่จะนับจับประมาณได้บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของการกำหนดในแนวของฝังใจที่ลึกลงไปซึ่งทรงใช้คำว่าอุปาทานอุปาทานนั้น แดงตัวเองเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในหลายลักษณะเช่นว่าเป็นการกำหนดโดยกามุปาทานคือยึดมั่นด้วยความรักใคร่ความพอใจเอาจะชอบจะชื่นชมในลักษณะหรือสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจหรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่ตนรักใคร่พอใจแต่ในขณะเดียวกัน จากการกำหนดในแนวนั้นเองเนื่องจากอุปาทานก็นอยู่ลึกเกินไปหมักผมไมปมากทำให้สติปัญญาที่จะวินิจฉัยอารมณ์ไม่พร้อมที่จะใช้ดังนั้นความรู้สึกในแนวอัตติคือเอียงก็จะบังเกิดขึ้นแม้จะมีความผิดเกิดขึ้นแต่คนนั้นเป็นที่รักของตนตเนื่องจากอุปาทานมากไป ซึ่งข้นนี้บุคคลสามารถมองดูในเชิงพฤติกรรมคือการแสดงออกของบุคคลทั้งหลายได้เช่นว่ามีคนมาบอกกล่าวว่าลูกของตนทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลักษณะของอุปทานนี้ลึกเกินไปจะปฏิเสธในทันทีทนันใดปกป้องลูกของตนเอาไว้ไม่ยอมรับประลูกของตนกระทำผิดทำไม่ดีเช่นนั้นเช่นนั้น ทั้งๆที่ยังไม่รู้โดยทํามว่าลูกทำหรือไม่ทำมันได้นถามว่าลูกทำลูกทำไปอย่างไรเป็นการสะท้อนกลับมาสู่จิตใจของบุคคลว่าอุปาทานที่ไปยึดเอาไว้นั้นมากเกินไปและการยึดในแนวนี้เองเมื่อยึดมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นการรวบยอดไปในจุดนั้ น, น, นโดยมีเหตุผล ในการวิพากษ์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจสิ่งนั้นๆ น, น, น้อยก็นี้เพิ่งดูตัวอย่างในลักษณะการยึดถือดุลอำนาจความชอบในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะกระจายตัวเองออกไปเป็นตระกูลเป็นครอบครัวเป็นท้องถิน่นเป็นภาคตลอดต้องเป็นประเทศของบุคคลแับนั้น ซึ่งกรนีจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวเรากำหนดคนเป็นทินทินไปด้วยอาศัยเงื่อนไขคือคนที่เราชอบเป็งคนเดียวเท่านั้นเองซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปคนที่เราชอบเองก็ไม่จะดีเสมอไปและคนที่เราคาดหมายว่าเขาจะดีนั้นก็ไม่แน่ว่าเขาจะดีคแม้แต่คนที่เราคาดหมายว่าเขาจะเร็วก็ไม่แน่ว่าเขาจะเร็ว วความดีความเร็วขึ้นอยู่กับการกระทำในแต่ละขณะของบุคคลนั้นๆไม่มีใครที่จะเรวไปตลอดหรือไม่มีใครที่จะดีไปตลอดถ้ายัางเป็นปุตุชนอยู่จะมีลักษณะขึ้น ข, นขนลงลงในลักษณะเจ่นนี้ดังนั้นเมื่อมีการกําหนดอารมณ์ในแนวที่เป็นอุปาทานก็จะปักใจฝังใจไปเรื่อยๆซึอ ง, งบางครั้งบางคราวนั้น แม้ในความเชื่อถือของชาวพุทธเราเองก็มีแนวที่เป็นอุปทานอยู่ตั้งมากมายเพียงแต่ว่าสามารถเป็นสื่อให้บุคคลทำความดีได้เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นอุปทานในพุทธบาทบางแห่งเราไปยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังว่าพระพุทธเจ้ามาเหยียบไปที่จริงในจุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหา แต่ว่าขั้นต่อไปเราสามารถสร้างเป็นบันไดาทาความดีได้แต่นั้นเองไปยกตัวอย่างพระพุทธบาทในที่บางแห่งถึงเราเข้าใจเราเชื่อว่าพระพุทธเจา้าบรรเยียบไปแต่ถ้าหากว่าเราปัญญาเข้าไปจับในจุดนั้ น, นก็จะมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าคนรองเท้าเท้าขนาดนี้ถ้ามีตัวตวนอยู่จริงๆส่วนสูงจะขนาดไหนส่วนใหญ่จะขนาดไหน และประการตุกดีของพระพุทธเจ้ากว้างขนาดนั้นยาวขนาดนั้นซึ่งประการตุกดีปษษัจจุบันก็มีเห็นอยู่ยาวเพียงสิบสองซอกยาวเพียงสิบสองคืบกว้างเพียงเจ็ดคืบเท่านั้นเองคนที่ใหญ่ตัวขนาดนั้นจะเป็นนอนกุฏิอย่างนั้นได้เถิดอีกจะหนึ่งคนที่ใหญ่ตัวขนาดนั้นเวลาเดินมานั้นคนจะขทาเริ่มใส่แล้วจะวิ่งหนีกันแน่นี่เราก็ไม่ได้ใช้ปัญญาต่อไป แล้วปักใจฝังใจยึดถือมันก็เป็นมีลักษณะของอุปาทานอุปาทานในแนวนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลประตูปาทานเป็นอุปาทานชนิดหนึ่งแต่ดีหน่อยที่ว่าเราอาศัยเป็นสื่อในการรำลึกถึงพระพุทธเจ้าคนนั้นเองเพราะนั้นรอยรอยประบาทเหล่า น, นั้นที่ยึดถือกันว่าเป็นรอยประบาทในกรณีที่ไม่จริงซึ่งส่วนมากก็ไม่จริง เป็นเพียงการจําลองขึ้นมันก็เป็นอุเทสิกะเอดีอย์คือเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้าเมื่อเราไปไหว้สักการะบูชาอย่าไปติดว่าจริงหรือไม่จริงก็ติดแต่ว่าเป็นรูปเปรียบเป็นอนุสนียสถานคือสถานที่ก่อให้เกิดความระลึกถึงพระกุลของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นพุทธานุสติได้แต่ในช่วงของการยึดถือตอนต้นก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นเอง ทีนี้ถ า, าว่าใครมาปฏิเสธเราก็เกิดปฏิฆะเกิดความไม่พอใจเกิดทุ่มเชียนกันอกิเลสที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็คือลักษณะของความยึดจิตซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นที่ประนีตขึ้นไปนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรุปปัะสะเบธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือไม่ควรปักใจว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ และก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดถึงแม้ยกตัวอย่างในการศึกษาปฏิบัติกรรมฐานถ้าเราจะเรียนด้วยอุปาทานในขณะที่บัญญาอยู่นี้ก็ออกนอกมหาสติปัฏฐานมาแล้วแต่ถ้าเราเรียนด้วยธรรมะเรียนไปปัญญาก็คงพูดอยู่ในมหาสติปัฏฐานนั่นเองและจะพูดอีกกี่ปีก็คงอยู่ในมหาสติปัฏฐานเท่า น, นั้นปัญหาสําคัญจึงอยู่ที่ว่า บุคคลสามารถเข้าใจเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วปัจจามเทศนาทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้นเราจะพูดว่าสรุปลงที่ไตรสิกขาก็ได้จะพูดว่าสรุปนิดเดียวคืออภิธมาทก็ได้ความไม่ปภิธรมรมก็ได้หรือจะพูดว่าสรุปลงที่อริยสัจสี่ก็ได้หรือสรุปลงที่สติปัฏฐานก็ได้ ที่จริงเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่การที่จะไม่ต้องทุ่มเฉียงกันในลักษณะนี้ได้ก็ต้องเป็นการกำหนดอารมณ์ด้วยปัญญาเป็นเครื่องปนิพิจารณาทีนี้ถ้าปัญญาลุกโผร่อยู่ภายในใจตลอดนั้นก็เหมือนกับร่างกาที่มีภูมิต้านทานโรคเต็มที่มีโรคอะไรเข้ามา ก็ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นนั้นได้อุปมาร่างกายอาจจะดูยากอุปมาเหมือนกับพวกเสาเขื่อนเสาตะลุงขนาดใหญ่ที่บุคคลปักตรึงไว้เต็มที่นะนั่นนะแม้จะใครมาโยกครอนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหว่นไว้ได้ลักษณะทางอารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยฉลังคู่เบกขา กุเบขาในอารม์6นั้นมีลักษณะเช่นนั้นตลอดระชชนมาชีพอันยาวนานจากหลักฐานที่ปรากฏในที่ต่างๆแต่แม้ปรากฏในคำพีของศาสนาอื่นจะไม่มีการพูดถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะรูอํานาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาที่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าดีพอเป็นศาสนาพระ ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าประทัยของพระองค์นั้นอยู่ด้วยจรังกุเบคากุเบคาในอารมณ์หตลอดเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโภทะพัะหรือว่านึกซึ่งอารมณ์รวมเป็นหประการเนี้พระทัยของหลวงจะไม่หักไปในด้านของความยินดีและจะไม่หักไปในด้านของความยินร้ายที่ท่านแสดงว่าไม่มีอาการขึ้นๆลงๆ ตั้งตามปกติใจคนขึ้นๆ ล, ลงลงไปตามอารมณ์ังกล่าแล้วบางครั้งอารมณ์มีลักษณะกระชั้นทีใจมันก็ขึ้นแรงนะยกตัวอย่างเช่นเวลาทะเลาะ ก, กันถ้าบุคคลกลับมาดูจิตหรือแม้แต่ว่าถ่ายภาพเป็นวิดีโอบันทึกเอาไว้แล้ววันหลังก็เอามาเปิดดูเวลาจิตใจปกติจะสงบหรืออาจจะอัดเทปฟังเสียงเอาไว้ เช่นว่าจิตนั้นถูกปรุงอย่างแรงมากเมื่อปรุงมากเราก็คุมอาการทางกายทางวิช า, าไว้ไม่ได้ถ้าดูเป็นภาพวิดีโอก็จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือว่าจะฟังเสียงก็จะฟังระดับเสียงต่างๆได้พอนี้กิเลสเริ่มปรุงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นและจะมีเหตุผลน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดก็ลงมือปรารประหารกัน ซึงเป็นการกระทําในสัญชาตญาณป่าไม่ได้คํานึงถึงเหตุถึงผลถึงบาปบุญคุณโทษอะไรกันแล้วนั่นแสดงว่าความตี่ของกิเลสแก่ขึ้นสู ง, สงมากเราคุมแกไม่อยู่แกคุมเราเต็มที่เราก็สูญเสียความเป็นเราทําอะไรไปตามความบงการของกิเลสแต่เรามองกลับมาในจุดเดียวกันนั่นเองถ้าว่ากิเลสแก่ลดลงไปอยู่ในระดับหนึ่งเราก็หยุดอะไรได้ต่างๆเป็นนั้นมาก แสดงว่าการวางเฉยในอารมณ์ตามรอยบาททุคนของพระพุทธเจ้านั้นเอาก็จริงในบางขณะแล้วก็หลายขณะปันหนึ่งวับหนึ่งนั้นหลายขณะได้เกันที่เราทําได้ข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าขึ้นอยู่กับการกําหนดอารมณ์ด้วยปัญญาด้วยกําหนดอารมณ์ด้วยกิเลสถ้ากําหนดอารมณ์ด้วยปัญญาแล้วก็วางเฉยในอารมณ์ต่างๆได้เช่นบางครั้งเด็กก็ทะเลาะกัน ล้วก็บังเฉยได้เป็นเรื่องของเด็กหรือบางทีเด็กแกร้องให้เป็นลักษณะนิสัยขอแกแกชอบร้องให้บางครั้งเราก็ไม่หวั่นไหวตามไปแกตามแกไปได้หรือไม่ไปปลอบโยนแกให้หายร้องให้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะเห็นว่าบางครั้งบางคราวเด็กควรจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแกบ้างเพราะถ้ามีการปลอบประโลมกันอยู่เรื่อยไปโตแล้วก็ต้องปลอบกันอยู่นั่นแหละ ในที่สุดเด็กแกก็จะช่วยตัวเองไม่ได้จะเป็นกา ร, สรแสดงถึงลักษณะความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ตามแนวชลังกุเบคขาของพระพธธุทธเจ้านั้นมีอยู่เป็นน้นมากที่บุคคลทำได้ในชั้นนี้อาศัยเพียงการสำรวมระวังจิตอย่าให้กายาเกิดการเล่นไปตามอารมณ์เหล่านั้นเหมือนก็ดูละครก็ดูละคร คือไม่พลอยโศกไปตามละครพลอยชิงจังไปตามตัวละครซึ่งภาพเหล่านี้ถ้าหากว่ากิเลสแรงเนี่ยเราสามารถจะดูในภาพอย่างเด่นได้เช่นเราไปดูมวยก็ต่อกันแทนที่จะดูมวยต่อยเราก็ดูคนเชียร์มวยก็จะเห็นภาพลักษณะทางอารมณ์จริงๆของคนที่เชียร์มวยอยู่หรือไปแทนไปดูละครแทนที่จะดูละครเราดูคนดูละคร สังเกตที่สีหน้าอาการกริยาท่าทางนั้นต้นแรกจะเป็นการสะท้อนมาจากจิตซึ่งวันไหวไปตามบทบาทของละครเหล่านั้นบางครั้งบางครงาวแกรุนแรงเกินไปแกนั่งอยู่ไม่ติดด้วยรมไยกมือยกไม้ส่งเสียงนี่แสดงว่าใจิตใจเริ่มอ่อนไหวมากตั้งอยู่ในจุดที่ควรตั้งไม่ได้และแม้แต่ในชีวิตประจาวันของบุคคล ผู้ ก, ก็สังเกตได้ว่าบางครั้งเราคุมได้บางครั้งเราคุมไม่ได้เอ็นยกตัวอย่างว่าอยู่บ้านริมถนนมีรถเปิดไซเรนดังลั่นมาบางคนก็ฟังเฉยๆธรรมดาเสียงธรรมดาแต่บางคนวิ่งไปดูสแสดงว่าหวันไหวมากวันไหวจนนั่งอยู่ไม่ติดแล้วต้องวิ่งไปดูเขาหรือแม้แต่บางทีนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในวัดในที่ใดที่หนึ่ง มีคนก็ามามีดนตรีลูกทุ่งมาอะไรท่างนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในใจคนทันทีคนบางคนตั้งสงบฟังเทศได้ตามปกติไม่วอกแวกไม่สับสนไม่หันไปดูหรือทงไปบางคนก็ถึงกับเชืเงื้อดูก็กลับฟังเทศต่อบางคนเชืเงื้อดูแล้วก็เชื่เงื้อดูอย่างนั้นจนถึงก็ดูไม่ถนัดต้องหันแล้วบางคนจนถึงกับชันข่าวดู บางคนลุกขึ้นยืนดูบางคนวิ่งลงไปดูนี่แสดงถึงว่าความบันไ้แตกต่างกันนั่นเองตัวสะท้อนตัวสังการนั่นคือจิตทั้งหมดถ้าหากว่าบุคคลสามารถรักษาสภาพจิตของของตนเอาไว้จะเรียกว่าทำจิตของตนให้จเจริญขึ้นลักษณะของจิตที่จเจริญขึ้นก็เหมือนกับความเติบโตในชีวิตของคนเรา ซึ่งที่จริงจิตแกก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยจากไรเดียงสาเป็นมีเดียงสาเป็นมีปัญญาเป็นมีเหตุผลคราวนี้พึงดูตัวอย่างว่าจิตเราได้เจริญขึ้นเหนือความขัดแย้งในระดับเด็กๆได้เป็นนั้นมากที่ว่ า, าเด็ก <ๆ S 1> เล่นต<ๆ>ุ๊ ก, กตาก็ไม่เล่นเด็กเล่นฝุ่นก็ไม่ไปเล่นกับเด็กหรืว่าเด็กทะเลาะ ก, กันก็ไม่ไปทะเลาะ ก, กับเด็กซึ่งก็ทําได้ในบางคนไม่ใช่ทาได้ทุกคน ฉะนั้นก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าจิตได้เจริญขึ้นแนละ้วการทําจิตของตนไม่หวัน่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าจะกล่าวให้มากมันก็มากแต่ไดาจะกล่าบตามสายของกิเลสแต่จะบีบให้สั้นข้าวเพียงสี่สายเท่านั้นเด็กนั่นคือจิตที่เกิดกําหนัดยินดีในอารมณ์ที่จิตกําหนดว่าน่าคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจเพราะกระทบ พอไปเจอกับอารมณ์ในลักษณะเดียวกันหรือกระทบอารมณ์ในลักษณะเดียวกันเคยจะหวั่นไหวไปได้วยแรงปรารถนาต้องการเพลิดเพลินชื่นชมระเริงลงก็ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยนั่นแสดงว่ากิเลสได้ไหลจะใจได้ไหลไปในสายโท ส, สายโลภะหรือสายราคะหวั่นไหวไปตามสายนั้นอีกสายหนึ่งเป็นการหวั่นไหวไปตามโทสาย คือจะรู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจขัดเคืองวุ่นงานงดกิจจนถึงก็โกรธเรียวกันแล้วแต่แรงหรือคือไม่แรงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจไม่ยินดีหรือขัดเคืองโกรธเรียวจิตใจวันไหวไปตามอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงซึ่งหมายความว่าอารมณ์นั้นแกกันกลาง แต่คนไปกําหนดว่าอารมณ์ไปติดรุ่มหลงก็ลุ่มหลงเพราะว่าความลุ่มหลงก็ดีความกําหนัดก็ดีความขัดเคืองก็ดีทั้นไม่ได้มีในตัวอารมณ์เดียวกันจริงเหล่านี้ที่จริงเป็นเพียงมายาอย่างที่ว่ามันเป็นเบียงมายาขึ้นอยู่กับการปรุงของคนในขณะนั้นๆเท่า น, น, นั้นเองเป็นการสมมติเป็นการแสดงฉากหนึ่งของเวทีละครชีวิต ให้สมมติแม้แต่การเป็นสามีพันดาก็เป็นเรื่องของการสมมติกันให้หลองสังเกตดูในระดับสามีพันดาก็ได้ในขณะที่เราสมมติว่าสามีของเราพันดาของเรานั้นจิตใจจะหวั่นไหวไปเรืยถ้ามาตรงต่อเวลาก็ชื่นชมยินดีโอภาปรสาสัยกันด้วยความชื่นบานความรักความกำหนัดก็เพิ่มขึ้นแต่วันใดมาไม่ตรงเวลาพูดขัดหูอาการกำหนดในแนวขัดเคืองก็เกิดขึ้น ทีนี่พอเลิกรังต่อกันในการหวงใจอะไรต่อกันก็ไม่มีอาจจะมีตกค้างอยู่ภายในใจก็เพียงความขัดเคืองถึงต่าหากว่าสามารถปรับจิตได้และก็ปรับให้มาอยู่ในจิตที่เป็นมิตรกันได้แต่ถ้าไม่ยอมปรับก็จะกลายเป็นสนิมใจมีความขัดเคืองพอได้ยินได้ฟังได้เห็นหน้าก็หงดหงิดขึ้นมาทุกทีนี่ก็คืออะไรก็คือ การเป็นศัตรูต่อใจตัวเองการใจเป็นศัตรูต่อใจตนเองคนนั้นก็คงเป็นคนนั้นสถานะเขก็เปลี่ยนแปลงที่จริงมันก็เลิกสมมติไปแต่ก็บุคคลไปสมมติอีกนวหนึ่งสร้างอิทธิพลต่อใจให้เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจความโกรธขึ้นมาอีกหนึ่งก็คืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความประมาทเลินเล่อเพลินลหลงลืมในอารมณ์นั้น ซึ่งในชั้นของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นบางครั้งบางคราวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างเป็นธรรมดาเรียกว่าอยู่ด้วยเบขาในดับนี้ไม่ได้แต่ก็ควรให้ความสบายแก่จิตใจความสุขความสงบแก่จิตใจโดยการระมัดระวังใจไม่ให้กาหนัดไม่ขัดเกือไม่ลุ่มหลงไม่มัวเบาในอารมณ์ต่างๆให้เพิ่มขึน้น จนมองเป็นอะไรมองเป็นเพียงว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้รู้ได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบได้รู้ก็สักแต่ว่าได้รู้ก็หยุดอยู่เท่านั้นแต่การหยุดในลักษณะนี้หมายความว่าเราก็รู้อารมณ์ in, แต่ไม่นํามาปรุงต่อรู้ว่านั้นเป็นรูปนั่นเป็ น, นเสียงนั่นเป็นกลิ่นนั่นเป็นรสแต่ไม่ก่อให้เกิดความกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงหมัวเม่าขึ้นมา ซึ่งอยู่ในชั้นที่สามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ใช้สติสังวรหรือว่าขันติสังวรในกรณีที่แทกระทกระทัะทะทนเกินไปเราก็ใช้ขันติคืออดทนเอาในกรณีที่ควรจะปิดกั้นไว้ก่อนก็ใช้สันติใช้สติเป็นเครื่องปิดกั้นเอาไว้ ซึ่งหมายความว่าด้วยการปฏิบัติเช่นนี้บุคคลสามารถเดินไปบนเส้นทางที่สร้างความเจริญให้แก่ตนตามรอยบาปจุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เมื่อมาถึงจุดนี้อาจจะมีปัญหาว่าในประสูนิ์บางแห่งมีพระส่งเสียงดังส่งเสียงคุยกันหรือว่าชาวบ้านมาฟาพระพุทธเจ้าเอะโวยวายแลวพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเสียงอะไรกันังกางชาวประมงแย่งปลา นี่ไม่ไม่เป็นการแสดงว่าพระทยของพระองค์หวั่นไหวเลยที่จริงไม่ได้หวั่นไหวพระทัยคนนั้นก็คงเป็นเสียงเท่านั้นเองแต่เนื่องจากตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะใช้โลเ ก, กียจิตเรียกกลามาว่าจรจิตคือจิตระดับที่จะพูดกับสาวโลกอรูดิสการที่ปรากฏเรื่องนี้แสดงว่าต่อไปจะต้องเทศแล้วเป็นพุท ธ, ธะจริยา เป็นตริยาของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้บริหารสงฆ์เป็นธรรมราชาเป็นหลักทางรัฐศาสตร์เป็นหลักทางพระวินัยที่จะมีการปกครองคนฝึกปลุคนอบรมคนในฐานะที่เป็นอนุตโรบริสลรรมสารถิคือสารถิผู้ฝึกคนซึ่งภายในใจไม่จำเป็นจะต้องโกรธเครื่องอะไรและไม่จำเป็นจะต้องหวั่นไหวอะไร แต่เป็นการกระทําด้วยความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นการปฏิบัติในลักษณะนี้ถ้าบุคคลย้อนกลับมาดูจิตของตนก็จะเห็นได้ว่ามีบ้างในบางโอกาสจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคี่ยนตีดุด่าลูกโดยไม่มีความโกรธอยู่เลยมีแต่ความกรุณามีแต่ความห่วงใยก็เด็กแก่จะประสบความเดือดร้อน หรือบางครั้งบางครงาวลูกเพลอเพลินไปรถจะเฉียวเอาเราก็จะชักกันอย่างแรงเลยก็เจ็บลูกก็เจ็บในขณะนั้นแต่เป็นการทําด้วยกรุณาเพื่อรักษาชีวิตของลูกเอาว่าเจ็บก็เจ็บแต่เหมือนกับหมอผ่าตัดเป็นต้นมีลักษณะอย่างเดียวกันเราไม่ได้ทําเพราะความโกรธเคืองอะไรใจไม่จําเป็นจะต้องแปลไปตามนั้นก็ได้ใจอยู่ด้วยกรุณาใจใจดูด้วยเหตุผลและความดี เป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่บุคคลไม่ใช่อยู่ที่เราแต่อยู่ที่เขาเพื่อแก้เขาและพระพุทธลัมหลักบางอย่างบางครั้งก็ใช้คำดุเพื่อเป็นการกาหนาบให้สำนึกคือคนอย่างนี้ต้องพูดคาอย่างนี้จึงจะเข้าใจด้ให้รู้ว่าดุแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้ก็เกิดความเข้าใจพระทัยของพระองค์ก็ยังคงเป็นกรุณาอยู่นั่นเองไม่ได้วันไหวโยคลอนไปตามนั้น รอยบาดทุกคนของพระผู้มีพระุทธเจ้าในเส้นทางนี้แต่เรื่องที่บุคคลจะต้องสัมผัสในชีวิตของคนแต่ละคนแล้วทุกๆวันวันนึ่งเป็นหมื่นๆครั้งแต่ว่าสามารถระวังใจตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าได้ความสุขความสงบความชื่น็นอันเป็นสิ่งที่บุคคลมุ่ง ม, มากปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤตปฏิบัติต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป